เพราะสะดับตรับฟังมากเพราะทรงจำวินัยได้เพราะเป็นนักกล่าวธรรมะเพราะอยู่ป่าเพราะทรงผ้าบางสุกุลคือผ้าเพื่อนฝุ่นที่เก็บเอามาปะติดปะต่อเป็นจีวรเพราะถือบินทบาทเพราะอยู่โคนไม้เพราะอยู่ป่าเพราะได้รูปประชานที่หนึ่งถึงที่สี่และเพราะได้เอารูปประชานทที่หนึ่งถึงที่สี่ส่วนภิกษุ ผู้ก้าวล่วงอรูปปัจจนที่สี่เข้าถึงสัญญาเวทยยตะนิโรธได้ย่อมสิ้นอสวะไม่ยึดถือสิ่งใดๆพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ 14, สิบสี่เสวิตตพาเสวิตตพสูตรสูตรว่าด้วยธรรมะที่ควรเสบและไม่ควรเสบพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนาราม รัดแสดงธรรมะที่ควรเสพและไม่ควรเสพเป็นสามตอนพระสารีบุตรกราบทูลขยายความย่อให้พิสดารทั้งสามตอนนั้นตรัสรับรองว่าถูกต้องคือหนึ่งความประพฤติ ท, ทางกายความประพฤติ ท, ทางวาจาความประพฤติ ท, ทางใจความคิดการได้สัญญาหรือความกาหนดหมายการได้ทิฏฐิหรือความเห็น การได้อัตภาพรวมทั้งหมดเจ็ดหัวข้อแต่ละข้อมีทั้งควรเสพและไม่ควรเสพ 2. รูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรรมะที่พึ่งรู้แจ้งได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ละข้อมีทั้งควรเสพและไม่ควรเสพสาม ปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นคามนิคมนครชนบทและบุคคลแต่ละข้อมีทั้งควรเสพและไม่ควรเสพพระสารีบุตรอธิบายในหลักใหญ่ว่าถ้าเสพเข้าอากุศลธรรมเจริญกุศลธรรมเสื่อมก็ไม่ควรเสพถ้าอากุศลธรรมเสื่อมกุศลธรรมเจริญก็ควรเสพ